ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนในวันนี้จะพูดเรื่องพยะเพราวสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความกลัวและสิ่งที่น่ากลัวสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตตะวันมันเป็นอารามของอนาถบินเทเกษตรีท่านชานุสโณนีพราหม์ซึ่ง เป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่แล้วก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่แต่ขา้าฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับหลังจากผ่านการสนทนากันไประยะหนึ่งแล้วท่านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญคุณลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตอุชิตเฉพาะท่านพระโคโดมผู้เจริญ ทรงเป็นหัวหน้าของคุณบุตรเหล่านั้นทรงมีอุปการะมากแก่คุณบุตรเหล่านั้นทรงกระส่วนคุณระบุตรเหล่านั้นและชุมชนนั้นจะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านพระโคดมพูทเจริญหรือพระภู้มีพระเจ้าตัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นตามคุณระบุตเรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิต อุดชิดเฉพาะเราเราเป็นหัวหน้าของกุลระบุตเหล่านั้นมีอุปกราระมากแก่กุลระบุตเหล่านั้นสักส่วนกุลระบุตเหล่านั้นและประชาชนนั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของเราอันนี้คือประเด็นหลักของความเป็นพระศาสดาระเห็นว่าศาสดานั้นก็มีภารกิจในการ ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านศาสนาธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพจิตแต่ก็ฝ่ายคือฮะแล้วก็นำและแนะนำในการประพฤติปฏิบัติเมื่อท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติไปตามหลักที่องค์ศาสดาทรงแสดง ก็จะได้สัมผัสผลระดับทานระดับศีลระดับธรรมะปฏิบัติระดับสมาธิระดับปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆก็ตามกำลับบงความสามารถแห่งตนเพราะฉะนั้นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงสถานภาพตัวเองจากคนพานมาเป็นบัณฑิต จากเป็นเป็นบัณฑิตมาเป็นสุดยอดของบัณฑิตจากกัลยาณ์นภูตุชนจากปุตุชนเป็นกัลยาณ์นภูตุชนเป็นพระยะบุคคลก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงในลักษณะรากเงาที่เดียวขนาดทริได้ามือไปล้างมือได้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเนลวลานี้มีกระแสการ รุกราญคุกคามคุกคามของศาสนาอื่นต่อพระพุทธศาสนาโดยตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทั้งประเทศให้นับถือศาสนาของเขาก็แน่นอนงานเผยแผ่พระศาสนานมันเป็นไปตามความเชื่อของศ า, ศาสนิกในศาสนานั้นๆแล้วก็ เมื่อตอนคิดว่าสิ่งนั้นดีก็ต้องการให้คนอื่นดีอย่างที่ตนคิดว่าดีงานเผยแผ่จริงเป็นเรื่องของศาสนิกทุกศาสนาแต่ว่าในแวดุงของพระเราเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงมาจนถึงจุดที่แต่พระตั้งรับอยู่ภายในวัด เราคนแก่ที่ไม่มีแรงทำบุญไม่มีแรงทำบาปแล้วเนี่ยเข้าวัดแต่ปัญหาที่จริงมันอยู่นอกวัด้าก็ไม่ได้แสดงออกซึ่งความเป็นกัลยาณมิตรกั บ, บโยชนข้างนอกประคดข้องในด้านนโยบายบ้างในด้านอะไรต่อไรต่างๆมากมายกายกองแม้แต่ว่า ความคิดเรื่องวิชาที่จะนำไปสอนคนพัฒนาคนเราเย็นว่าทางราชการก็พยายามต่อต้านวิชาพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ก็เรียกว่าตอนปลายปลายอ่ะปลายปลายรัชสมัยของราชการที่ห้าแล้วก็เริ่มลดเราจะพบว่าสมัยนั้นก็มีเรียนเรื่อง ธรรมจริยาแล้วก็เปลี่ยนเป็นศีลธรรมแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าที่พลเมืองในศีลธรรมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสังคมแล้วก็ เ, เปลี่ยนมาเป็นจริยศึกษาแล้วว่ากันเป็นข้อๆไปกันเรื่อยคือแต่ละอย่างเนี่ย มันทอดทิ้งศาสดาและทอดทิ้งศาสนาธรรมทีนี้การเคารพนับถือเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาต้นมาจากคำว่าใครแล้วก็อย่างไรแล้วก็เพื่ออะไรแล้วปฏิบัติไปแล้วนี่จะได้ประโยชน์อะไรมันก็ต้องมีตัวอย่างตัวอย่างในอดีตเนี่ขามมีตัวอย่าง ใครก็คือพระพุทธเจ้าใครคือพระเยซูใครคือท่านนาบีคำสอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ปฏิบัติยังไงจะเกิดผลอะไรแล้วผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์อะไรผลศาสนานี่มันมีคาตอบมันมีคำตอบความยั่งยืนของศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ย แล้วก็มีการขยายตัวของศาสนาเวลาศาสนาก็เสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวศาสนาธรรมมันเสื่อมแต่ตัวศาสนิกเนี่ยหลักธรรมที่ควรจะมีสำหรับศาสนิกคือมีความสความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักสำคัญในศาสนาของตัวเองเช่นเป็นพุทธศาสนิ ก, กชนก็ต้องเชื่อมั่น ในพระพุธธพะทธเจ้าประธรมประสงค์ในไตรสิกขาแต่ในขณะเดียวกันมันอยู่ที่เชื่อมั่นอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะสัมผัสผลแล้วก็จะทิชชู้กันเปื่ยแพรพระพุทธศาสนาออกไปตัว น, นี้มันเกิดมีปัญหาว่าในปัจจุบันเราทํางานในรูปของวีรชนเอกชน แล้วก็เรื่องเดียวกันเนี่ยพูดไม่ค่อยตรงกันถึงถ้าโดยเนื้อหาเข้ากันมันไม่ได้แปลกหรอกแต่ต่างกันที่ภาษาไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเนื้อหาจะต้องลบ ก, กันการยักย้ายเปลี่ยนแปลงคำสอนไปตามมุคลิภาวะของผู้ศึกษา ก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเราจะไปจับหลักหลักใด ห, หลักหนึ่งนี่มันคงไม่ได้หรอกทีนี้พระเองก็ทํางานด้านนี้แต่ว่าไม่ได้มีการจัดองค์กรทําเป็นระบบแล้วไม่มีการประสานงานติดต่อระหว่างวัดกับองคอนน์กรต่างๆองคอนน์กรเอกชนต่างๆ ถ้าสมมติว่าบริษัท ต, ต่างๆเนี่ยเราก็ประสานงานกันว่ามีการอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานปีละกี่ครั้งขอให้เป็นศาสนาสักสักองสามครั้งนี่ก็ยังดีดีก็สี่เดือนตัวครั้งแต่เราก็ขาดการประสานงาน อนนี่คือปัญหาใหญ่ในขณะที่ศาสนาอื่นเขาทำงานในเชิงรุกเนี่ยเราทำงานในเชิงรับแล้วก็ค่อนข้างร่นด้วยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะาเราจะเห็นว่าหลักการตรงนี้มันก็ต้องตัวศาสนกเนี่ยมันจะต้องมีศรัทธาจะต้องมีความเพียรแล้วก็ ต้องมีสติระลึกรู้พินิจพิจารณาแล้วก็มีจิตใจสงบจึงเป็นผลมาจากธรรมะแล้วก็มีปัญญาในการวิเคราะห์ตรวจสอบแยกแยะในเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นในทางที่ถูกต้องก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็นจะชัดเจนชัดเจนว่า พระพุทธเจ้าทรงมีอุปการะแก่คนเหล่านั้นพระวันเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงก็มีอุปการะคุณมันก็เด่นทีนี้คนที่ปฏิบัติตามทั้งหลายเนี่ยพอเห็นคุณแล้วเนี่ยแล้วลองสังเกตว่าสำนักดังๆสำนักกรรมฐานทั้งหลายที่ดังๆ หรือสิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าลูกศิษย์เหล่านั้นต้องได้ผลจากการปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์รูปนั้นอย่างน้อยก็ต้องระดับใดระดับหนึ่งแหละแกต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปในจิตใจของแกแล้วก็ไปชักชวนคนอื่ น, นปริมาณของสาสนิกก็เพิ่มขึ้นก็ ทีนี้เรายังมีกิเลสอ่ะคือสำนักทั้งหลายนี่ยังมีกิเลสกันอยู่แล้วในสุดก็ยึดติดไอ้ลูกศิษย์ก็ยึดติดในอาจารย์อาจารย์เองก็ยึดติดในปริมาณของลูกศิษย์แต่คนเหล่านั้นแทนที่จะเป็นพุทธศาส น, นิกชนก็กลายเป็นอะไรละ่ะทุกวันเขาเรียกกันหลายยึดคือนะสหายธรรมบ้างกัลยาณมิตรบ้าง อะไรล่ะในขำบ้างพรามจารีบ้างโยคีบ้างอะไร ต, ต่าง ๆ, างๆก็เรียกในชื่อที่รู้เจ้าไปเลยเรียกไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองมาตฐานที่ท่านจานุสโนีพราหมณ์ได้กราบทูลเราได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทำอุปการะแก่คนเหล่านั้นมา ก, ก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็ผ่านกระบวนการศึกษาปฏิบัติได้สัมผัสผลแล้วก็เกิดมีความซาบซึ้งในธรรมหลังจากตนใน้รับผ์แล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ในแวด่งของตัวเองศา ส, สนามีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นชาวบ้านก็ตื่นตัว ตอนที่ศาสนาเราเสื่อมไปจากอินเดียเมื่อปศพันเจ็ดร้อยเนี่ยภาพเหล่านี้มันเลือนไปหมายความว่าการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลการเผยแพร่ที่ชาวบ้านจะต้องช่วยเป็นแรงหลักเนี่ยเพราะชาวบ้านเยอะนะครับพระเป็นคนนิดหน่อยเท่า น, นั้นเองย่เผยแพร่ในที่ทั่วไปก็ไม่ได้แล้วก็ห่างไกลจากชาวบ้าน ถ้าจาก บ, บ้านก็เป็นหลักให้เนี่ยอย่างน้อยภายในครอบครัวเขาเนี่ยเชิญชวนชักชวนกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันไม่ต้องไปสอนเป็นกิจลักษณะอะไรหรอกเป็นการเตือนจิตสึกิจใจเป็นการเสริมสร้างความคิดเห็นที่เหมาะที่ควรให้แก่กันอะไกันสิ่งธามเราก็จะดีขึ้น การศึกษาก็จะขยายขึ้นการปฏิบัติก็จะขยายขึ้นการได้รับผลก็ขยายขึ้นการเผยแผ่ก็ขยายขึ้นความเข้มแข็งของาศาสนาก็เกิดขึ้นเพราะว่ า, าศาสนิกมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความดบรงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยปรารถนาที่จะให้เป็นมรดกธรรมแก่อนุชนนรุ่นหลัง เราเองจะอยู่อีกกี่วันในโลกกระดาษนะเหล่าแต่ต้องการให้อนุชนรุ่นหลังนี้ได้ผ่านการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลจากพระศาสนาก็เป็นผลปัจตะตังเจ้าพอเธอเแหละแล้วเธอก็จะได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยการเผยแพร่และก็ปกป้องรักษาพระศาะสนาพระศาสนามันก็ขับเคลื่อนกันมาอย่างนี้ ต่อไปท่านชานุศกโทนีก็มาประรบถึงอาการที่พระส่วนใหญ่สมัยนั้นก็อยู่ในป่านะถึงแม้จะมีพระเชตตะวันมีบุพารามีพระเวรุวันมีอะไรก็ตามแหละมันก็ที่มันก็แคบแค่แบแต่ปริมาณพระมันเยอะเพราะฉะนั้นพระส่วนใหญ่ก็อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่โคนไม้อยู่ตามภูเขาอะไ ร, ะไรต่างๆก็แยกย้ายกันไป แบบพระป่าในะปัจจุบันพระป่านะั้นก็อยู่แบบวัดไปแล้วเนะี่ยแต่ก่อนท่านก็ก็รร่อนนะ่ะก็ริร่อนแบบทุดงคุณปฏิบัติไปตามหลักของทุดงเพราะในสถานที่เหล่านั้นเราไม่คุ้นกับสถานที่ จนุสโนีจึงเกิดเป็นห่วงใหญ่เรื่องไอสิ่งที่น่าสะพึงกลัวทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอมนุษย์เนี่ยซึ่งมันก็มีอยู่ในป่าแล้วป่าก็เปลี่ยวๆอยู่กัน ส, อ ง, งสององค์อยู่กันห่างๆนะฮะเกิดอันตรายอะไรก็ช่วยกันอะไรกันไม่ทนันหรอกคือเขาม า, ตางต่างคนต่างก็ต้องการความสงบไม่ต้องการจะคุยกัน ก็พรกันก็ตอนบินทบาทหรือพร ก, กันตอนเจ็บไข้ได้ป่วยะอะไรต่างๆแต่นุนสโณนี้จึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมเสนาสนะอันส ง, งะที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวยากที่จะเป็นอยู่การแยกออกจากหมู่อยู่แต่ผูด้เดียวเป็นการยากที่จะทําได้ เป็นการยากที่จะยินดีในการดูคนเดียวได้ป่าทั้งหลายปนหนึ่งว่าอาจจะชักผาใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิไอ้เขวไปพระผู้มีพระภาครตรัสัสว่าข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าแนละป่าเปลี่ยวย่อมเป็นที่ยากจะอยู่ได้การแยกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเนี่ย มันก็เป็นการยากที่จะทำได้การอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นการยากที่จะยินดีปาประเด็นว่าแต่ชักพาใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิไอ้เคลไปอันนี้ธรรมดานะเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นนะเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นปัญหาว่าจะทำยังไงจะปรับใจให้มันสงบนิ่งได้ รอบบรรยากาศแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์อสัตว์เล็กสั น, น้อยนะฮะบางทีก็เสียงบางทีก็ใบไม้รูดร่วงหล่นอะไ ร, ะไรต่างๆแล้วก็ยังมีอมนุษย์อีกอมนุษย์นั้นปฏิเสธไม่ได้นะคนที่เคยอยู่ป่ามาแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นทั้งนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า แม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรูก่อนสตรูนั้นได้มีความดำ่ริว่าเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าเปลี่ยวและที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวยากที่จะอยู่ได้การแยกก่อจามู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นการยากที่จะทำได้การอยู่อย่างโดดเดียวเป็นการยากที่จะยินดีได้ ว่าทั้งหลายเป็นหนึ่งว่าจะพาใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิไอ เ, เวรพรามเรานั้นได้มีความตัณฑกอย่างนี้ว่าคื อ, องเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันยาวข้อความยาวคือตามปกติแล้วคนที่หวาดรัวสะดุ้งเนี่ย วัดรัวสะดุ้งถ้าเรากล่าวโดยสรุปก็คือหนึ่งเป็นธรรมชาติของเขาเป็นคนวัดรัวสรุปเขาเรียกก็มีชาติแห่งความขลาดในลักษณะนิสัยของคนของสัตว์ก็มีให้เห็นทั่วไปอีกประการหนึ่งคือสภาพจิตเนี่ยไม่หนักแน่นมันคงมีปัญหาที่จะต้องคิด มีการประพฤติปฏิบัติที่ยังบกพร่องยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เพวถึงการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจที่ทรงใช้คําในที่นี้ว่ากายสมาจารวจิสมาจารมโนสมาจารการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจมันก็ไม่สะอาดพอที่จะมั่นใจได้ว่า มนุษย์ไปการรบกวนตอนการเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าของพระธุดงค์เรื่องนี้จะต้องมีการสรดสอบอย่างดีตวดสอบถึงศีลศีล ส, สมาธิเนี่ยโดยเฉพาะศีลเนี่ยศีลต้องเป็นพื้นฐานมากแลกว้วก็ความพร้อมของจิตพ่สามารถอยู่ได้ไหมล่ะ ก็แ น, น่นนก็อาจจะฝึกขัดไปก่อนฝึกขาดไปก่อ น, ออนค่อยไปอยู่ห่างบ้านหรือว่าออกไปจากไปอยู่หลังวัดอะไรต่ต่างๆเนีจะอยู่ตอนกลางคืนอาจจะมีเพื่อนอยู่ห่างๆม า, าช่วยๆกันแล้วก็ปรับจิตได้คุ้นค่อยๆคุ้นเข้าค่อยๆคุ้นเข้าแล้วค่อยออกไป คือโครงครามทีเดียวทำไม่ได้นอกจากคนที่มีพื้นฐานที่ไม่หวาดกลัวเขาเรียกว่าไม่มีซาตแงความเป็นคนกราดถ้าเหล่านี้ก็อยู่ได้ให้เราสังเกตคนเราที่หวาดวิตกกังวลห่วงใยไปด้วยประการต่างๆเราจะมีปัญหาที่ความประพฤติของเราเราผิดกฎหมายไหยเราผิดศีลไหมเราผิดธรรมะไมย เรามีคดีติดตัวไหมอะไร่อะไรต่างๆีย๋ยวถ้าเรามีอะไรสักอย่างแล้วเราก็สยองสยองหรือเสียเสียวแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรมันก็ดีที่เราจะตั้งหลักได้ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้หมายความมาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกปัญหาที่ชาญุโสนีพราหมณ์ กราบถุนถามมันก็เคยเกิดขึ้นแกพระองค์พระองค์ก็ดูมันทั้งสองด้านดูอกุศลพระโทษของตนหมายความว่าอกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำการพูดการคิดของตนว่ามันมีความบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าว่าไม่บริสุทธิ์ การเสพเสนาสนะที่สังัดอย่างนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงหละแต่ถ้าเรามีกายบริสุทธิ์มีวจิจบริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์พระยากเหล่าใดที่มีกายบริสุทธิ์เป็นต้นย่อมอยู่ในป่าในสาภาพอย่างนั้นอย่างสบายสบายเลย เราก็าเข้าเส้นทางนะ่ะคือสมาพ ร, ระองค์นะสมาพ ร, ระองค์เองก็เข้าเส้นทางของพระริยก็เป็นองค์หนึ่งแลนก็สามารถที่จะอยู่ในสถานที่เหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยด้วยความปลอดอันตรายทีนี้เมื่อดำริดังนี้ ก็ตรวจดูว่าสํมณพราหมณ์เหล่าใดที่มีกายบริสุทธิ์วจีบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นี่หรือไม่ไม่บริสุทธิ์ก่อนจะดูที่ไม่บริสุทธิ์ก่อนแล้วก็มาดูที่พระองค์ลองสังเกตว่าการตรวจสอบนั้นแม้จะตรวจสอบที่คนอื่นแต่ก็นํามาตรวจสอบพระองค์เองคือเราตามปกติแล้วเรามักจะมองออกนอกคือจะตรวจสอบเฉพาะคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบตัวเอง พุทเจ้าจะตรวจสอบคนอื่นเป็นตัวอย่างแต่ว่าเอามาตรวจสอบกับโรุงเองพระพภตธทกายหว จ, จับใจมั่นบริสุทธ์พูดง่ายว่าอยู่ในทุจริตคืออยู่ในกรอบของพวกอกุศลกำหนดสิบประการคนนี้จะอยู่ป่าป่าเปรี่ยวตามรรมตามภูเขาตามเงื่อมเขาอะไรต่อตาม่ยย่อมสะดุง จะเกิดอาการขนพองสยองกล้าวเกิดอาการสะดุ้งได้แล้วก็มีสมณพราหมณ์ที่ท่านมีกายบริสุทธิ์มีวาจาบริสุทธิ์มีใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะตอนนั้นมันก็ไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดจากการสวักิเลสทั้งหลายนะแต่ว่าขอให้บริสุทธิ์ระดับที่ไม่เกิดวิปฏิสานใจคือเดือดร้อนใจก็สามารถที่จะอยู่ในป่านั้นได้ เรื่องนี้ยังในกรณีของทชักกสุรมันก็เกิดปัญหาเรื่องพระวัดหวจสดุ่มต่อสภาพแวดล้อมของป่าเนี่ยตามปกติเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในป่ากันยันตมาเองอย่างมากก็เคยนอนกุฏิในป่าแต่ว่าขนาดไปการกรดอยู่ในป่าเนะี่ยยังไม่เคยใช้กรดเลย เราเส้นทางชีวิตมันไม่มีช่วงไม่มีจังหวะที่จะไปคาดหมายเอาไว้เมื่อพศ2517ก็ 2, 17, เรียนจบจากอินเดียแล้วจะเข้าอยู่ป่าสักปีหนึ่งกลางคืนก็จะเริญนกรรมฐานไหวพระสุตรมุนจะเริญนกรรมฐานเดินจุงกรมกลางวันก็คนไปไตรปิฎก อีกคนรับเป็นโยมูปะทาให้เรียบร้อยจับที่อยู่ที่อาศัยให้เรียบร้อยมาถึงปรากฏว่าไปไม่ได้แต่ว่าคุณสมเด็จออกคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ตอนนั้นเียกว่สภาการสามาภูรราชเตียนไหลแล้วก็เป็นหัวหน้ากองด้วยหัวหน้ากองเผยแผ่ด้วยเราก็นึกว่าเออ เราก็ทิ้งวัดไปตั้งสองปีกว่าๆกลับมาถึงจะไปอีกมันก็รู้สึกยังไงอยู่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านก็ออกคำสั่งมาแล้วก็เลยก็เรื่องผูกพันกันมาอย่างเงี้ยตลอดก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่คุ้นชินกับบรรยากาศที่จะอยู่ทุดงแล้วก็นอนที่พื้นดินเนี่ยไม่คุ้นแต่ว่ากระตอบเล็กๆในเคยนะฮะ แต่ปาเลกเล็กนี่เขยอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปลาเปลี่ยวก็ไม่ไม่เป็นเหตุให้กลัวให้สะดุ้งอะไรในกรณีของภิกษุที่พระเจ้าทรงแสดงตชักกระสุดคือสูตสที่ว่าดรวยยอดแห่งทงเนี่ยเขเกิดมาจากพระกลัวเหมือนกัน ก็เกิดอาการเรียกว่าขนพองสยองกล้าวจะปรารบอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละแต่มนุษย์นั่นก็ต้องมีด้วยแหละก็รับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นตระหนักว่าถ้ากว่าเกิดอาการขนพองสยองเกร้าขึ้นมาเนี่ยโดยส่งเล่าตำนานเทวศูนย์สงครามก่อนการรบระหว่างเทวดากับพวกอสูร คือทาวส ก, กะเทวราชได้บอกให้ถวยเทพทั้งหลายเวลาเกิดหวาดกลัวพวกกระสูนขึ้นมาเนี่ยคอยมองดูธงของของวรุณเทพของอิสานเทพของประชาวดีเทพหรือของพระองค์ก็มีจอมเทพยอยู่สี่เทพด้วยกันและท่านก็ประกาศว่าอาการขนพองเสียงกล้าหวาดสะดุง้งก็จะหายไป พระย่าก็ทรงแสดงว่าอาการดูทงของเทวดาเหล่านั้นอาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นก็กลัวเหมือนกันตัวเองก็ยังอาการขนพองเสียงกร้าวเหมือนกันแล้วจะช่วยคนอื่นไม่เกิอดอาการขนพองเสียงกร้าวได้ยังไงพวนก็หันมากราบที่ภิกษุไว้มองดูที่ให้ระลึกนะฮะระลึกถึงพระพุทธคุณอิติปิโสภควาเนี่นะ อาการขนบองเสียงกร้าวก็จะหายถ้ายัางไม่หายให้ระลึกถึงพระธรรมธรรมคุณคือสวาัคาโตภควาตาธรมโมอาการขนพองเสียงกร้าวก็จะหายถ้ายัางไม่หายก็ให้ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ทํามสุปฏิปันโนอาการขนพองเสียงกร้าวก็จะหายทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ไม่สะดุ้งอยู่แล้วแน่นอนพระธรรมนั้นไม่สะดุ้งหรอกเพราะไม่มีชีวิตแต่ว่า พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระอาริยะเนี่ยท่านก็ไม่สะดุง้งมันก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจทมให้คนที่ระลึกถึงเนี่ยมีความมั่นมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าได้นี่ก็เป็นหลักแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงถึงการตรวจสอบใน เรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตรวจสอบมาเรื่อยนะฮะคือกายสวะจาแล้วก็มาถึงอาชีพอาชีพสุจริตหรือไม่สุจริตถ้าเห็นอาชีพสุจริตก็เป็นผู้ปลอดภัยได้อย่างยิ่งในการอยู่ในป่าตอนอยู่ในป่าเนี่ยต้องระมัดระวังมากและจากนั้นก็ดำรีถึง ว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีความอยากได้มีราคากล้าในการทั้งหลายปนนี้อยู่ป่าหรืออยู่ป่าเปลี่ยวนี่อาการหนักหละก็จะนำไปสู่ความกลัวความสะดุ้งเพราะว่าใจมันมุ่งเข้าไปหาไอ้สิ่งที่ใจของตัวเองกาหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจและในสุด ตัวก็เหมือนจอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็เปลี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะอากุศล น, นั้นมีโทษของตนเนี่คือความอยากได้มากมีราคาก้าในการมทั้งหลายเป็นเหตุหาใช่ผู้มีความอยากเป็นเหตุไหมพระจิตที่มีราคากลาในการมทั้งหลายโปรเสพเสนาสนาะในปาเปลียว มันก็มีอาการวาดสะดุง้งเอา้ามาดูพระอ ง, ะองค์เพราะไม่มีเนี่ยไม่มีอาการเหล่านั้นไม่มีโลภอยากได้อะไรเพราะว่าพระองค์สะละมาหมดแล้วก็ไม่มีราค่ากล้าอะไรเพราะพระองค์ทิ้งสาวสันกำนันไหนมาหมดแล้วเพรา ะ, ะนั้นบรรดาพระอริยะเหล่านั้นท่านก็เป็นองค์หนะึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การอยู่ป่าก็ทาให้ไม่วาดไม่สะดุง้ง กับการอยู่ปานประการต่อไปรับสั่งว่าสามเรานั้นมีความดำริดังนี้ว่าสมณพรามเราใดเ่าหนึง่งมีจิตพยาบาทแต่ยังมีจิตพยาบาทอยู่พวก น, น, นี้ก็จะหนึ่เหนียวนึกจึกนึก ถ, ถ, ถึงเรื่องจีไม่ชอบ เรื่องที่โกรธเรื่องที่อาฆาตเรื่องที่ปูกโกรธอะไรแต่ไรเนี่ใจมันก็ไม่สงบหรอกคิดไปคิดมาก็อาจจะไปคิดถึงคนที่าอาฆาตพยาบาทได้แล้วในที่สุดก็มาตรวจสอบว่าไอ้พวกหนึ่งเนี่ยพวกหนึ่งที่ใจเขาไม่อาฆาตพยาบาทเขาก็สามารถจะอยู่ในป่าเปียวได้แล้วเราล่ะเราก็เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่มีใจอาฆาตพยาบาทอะไรกับใครแล้วก็ดูมาเรื่อยนะดูมาพวกนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยดูพวกนิวรณ์ทั้งหลายเพราะว่านิวรณ์แต่ละข้อเนี่ยทรงยกมาอธิบายในยแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อสรุปว่าก็ดูที่กามาฉันทะดูที่พยาบาทดูที่ฉี่น้มิทะดูที่อุตตจักุกุจจะดูที่มิจิกิจชา คือนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมันแต่ละข้อนี่นำจิตพลาดหมดกามฉันมันก็จะพลานไปอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพยาบาทก็จะพลานไปหาคนหรืออารมณ์ที่ทําให้ตนโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทที่น่าไม่ทาก็ซึมซึมมือมือเรื่อยๆยเฉยลอยลอ ย, ลอยนะจิตใจก็โ hood ไม่กระจับกระเจงไม่ประเปรียว แล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองเสร็จแล้วก็ต้องกลัวอุตตราก็เหมือนการฟุ้งพลานใหญ่เลยที่จีกิสาเนี่ยเช่นสมมติว่าใดได้ยินกิ่งไม้หล่นสักกิ่งมันก็คือสงสัยแล้ะเออเสียงอะไรเออเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเสือเสียงอะไรก็คิดปรุงปุงไปเรื่อยๆเพราะว่าแกสงสัยอ่ะเสียงดังั้งเดียวแต่แกสงสัยได้ไปทั้งหลายเรื่อง แล้วก็จิตใจก็จะหวาดสะดุ้งไปกับการอยู่ในป่าเปลี่ยวทีนี้ทุกข้อเนียจะนำมาเทียบพระองค์ก็เห็นว่าพระองค์ไม่มีไม่มีพวกเหล่านั้นซึ่งเป็นสาเหตุของความหวาดสะดุ้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพิสูจที่อยู่ป่าจากนั้นก็ทรงไปพิจารณาถึง กรจุกทุกขอ้อนะฮะถึงทั้งถึงอุทัศจถึงวิชิกิจสาจากนั้นก็รับสั่งว่าพระรามเหล่านั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เราใดหลนึ่งยกตนข่มคนอื่นอันนี้ก็อย่างหนึ่งพอยกตนข่มคนอื่นเนี่ยในที่สุดมันก็รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ย ก็ไม่ชอบตัวเองแล้วก็มีความหวาดมีตกกงังวลหรือแม้แต่กลัวผีสางนางไม้อะไรต่างๆในป่านี้ก็แล้วแต่ท่านจะปรุงแหละเพราะว่าไปยกตนข่มคนอื่นเอาไว้เพราะงั้นเป็นเหตุและสะดุลเพราะอะไรเพราะว่ายกตนข่มคนอื่นนี่เป็นอุปกิเย์อย่างที่พูดไว้ในธรรมธายาสูรแล้วพระองค์ล่ะพระองค์งไม่มี ไม่มีกิเลสประเภทนั้นประการต่อไปก็ไปดูที่หวาดวันและหวาดกลัวหวาดวันเป็นเรื่องจิตใจไม่หนักแน่นมั่นคงก็ชอบปรุงคิดคิดปรุงไปให้ตัวเองมีปัญหาเองหวาดกลัวนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ในกรณีนั้นนั้นหรือว่าก็ไปปรุงคิดคิดปรุงขึ้น มันก็เกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเพื่อนก็เทียบเคียงเหมือนเดิมเอะครับสำนักพณ์ บ, บางพวกถ้ามีจุดอ่อนตรงนี้มันก็ต้องหวาดสดุง้งแต่ท่านที่ไม่มีจุดอ่อนอย่างนี้ท่านก็ไม่หวาดสะดุง้งแล้วเราละ่ะเรามีจุดอ่อนหรือเปล่าเราไม่มีเอา้าเราก็ไม่หวาดสะดุ้งไปประเด็นหนึ่งที่นี้ประการต่อไปก็คือปรารถนาลาสักกดิะอิป่าเนี่ยมันลําบากนะัฝืดเครือง ลำบากขึดเคื อ, คองก็ตื่นก็อยากอยากจะได้บินทาบาทอย่างนั้นอยากจะได้อาหารอย่างนั้นอยากจะได้ของหวานอย่างนังอะไรแต่างๆแล้วเอาเรามาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสใจมันก็แล่นออกจากป่าในขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ในป่านี่ใจมันก็แล่นออกไปจากป่าก็ทำให้รู้สึก หวาดสะดุง้งจิตใจไม่สงบอะใจมันพลั้นใจมันพล่านเล่นไปด้วยความฟุง้งซ่านโดยประการต่างๆสมณพราหมณ์ผู้เจริญที่อยู่ป่าเปรี่ยวเนี่ยก็ดูสมณพราหมณ์พวกอื่นอีกนะสมณพราหมณ์ผู้เจริ ญ, รรญที่อยู่ป่าในลักษณะอย่างนั้น ย่อมเรียกหาความกลัวและสิ่งน่ากลัวอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความปรารถนาราศักดิ์ราชื่อเสียงสันเสริญผู้นี้อยู่ป่าไม่ได้ทั้งนั้นอยู่ป่าไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะกลัวจะไม่ได้อ่ะกลัวจะตกสมุทรซึ่งว่าที่จริงก็ได้ไปมันก็เท่านั้นน่ะนะไม่ได้มันก็เท่านั้นน่ยเราก็ตายเหมือนกัน แต่เนื้อหาสาระของความเป็นพระจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่พวกนี้ลาบก็ดีสักการะก็ดีความสรรเสริญก็ดีคือลาบมันก็เพียงสมเจตประโยชน์แล้วก็สักการะมันก็มันก็เป็นทาบุญของคนอื่นคนอื่นก็ทำบุญเขา การสรรเสริญคนอื่นเขาก็จิตเป็นกุศลเขามากวามมาคนเหล่านั้นเขาก็ปฏิบัติ ธ, ธรรมเขาเพียงแต่ว่าปรารคเราเท่านั้นเองราก็โอนย้ายไปให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าอย่ามาคารบเราอย่างคนที่มาที่กุฏิแต่มามีแขกน้อยนะฮะไม่ไม่ค่อยมีแขกหรอกก็พอพูดได้ใครที่เราพอพูดได้ ถ้าเขาจะกราบเรานี่เราให้กราบพระพุทธรูปก่อนเราเองจะกราบหรือไม่กราบก็ไม่แปลกแต่ให้กราบพระพุทธรูปสีก่อนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเราพูดได้หรือไม่หรือบางทีไปติงเขาต่อหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่พอใจก็ได้ผลปัญหาที่รบราตนาาสการชื่อเสียงสันเซิน เป็นเหตุเนี่ยทำให้ใจสะดุ้มไม่สงบพุ้งส่้นเล่นสะสายไปในที่ต่างๆประการต่อไปคือความเกลียดคร้านเอารวมไปเลยก็แล้วกันนะฮะความเกลียดคร้านเป็นโทษอย่างหนึ่งแล้วก็จิตที่ไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วก็มีปัญญาสามเป็นคนงโง่สรุ ป, ปกิเลสทั้งนั้นนะ หลักการจริงๆมันก็เหมือนเดิมก็คือหมายความมาถ้าใจเรามีกิเลสข้อไดข้อหนึ่งนะที่ยกมาในที่นี้ก็เยอะนะฮะแต่ยกมานี่ก็มากแต่ว่าที่จริงมันก็ยึดโยงอยู่กับจิตที่โลภโกรธหลงนั่นแหละเพราะใจเรามากไปด้วยกิเลสมันไม่ซง่ครับแม้แต่อยู่ที่วัดอยู่ที่กุฏิดีๆแต่ใจมันก็พลาดออกไปข้างนอก กลัวนะจะสูญเสียโอกาสเอาบางทีเนี่ยคือเรื่องไม่เป็นเรื่องจะต้องมีการสังสรรค์จะต้องมีการสามัคคีรถกินเลี้ยงกันแบบชาวบ้านในะแต่ใดต่างๆกลัวว่าผู้ใหญ่จะลืมผู้ใหญ่จะไม่รู้จักเวลาพิจารณาเรื่องสมณศักดิ์ท่านจะลืมตัวเองราัชกาะนะ ปัใจใจเหล่านี้จะเป็นใจที่มีปัญหาเจตนาในการอยู่ป่าพวกนี้จะต้องสงบกว่าสมควรถ้าไม่้นมันฟุ้งขึ้นมันถูกกระแทกกับบรรยากาศของป่าเนี่ยที่เงียบสงบบางทีมันบิวบ้วิ ว, ว, วเสียงเงียบม า, มากๆแต่นั่งในถ้ำไนอะไรต่ออะไรต่างๆขนาดกลา ง, า ง, า ง, า ง, างวันเนี่ยบางทีเราก็ รู้สึกเสียงมันมันส ง, งบเหลือเกินส ง, งบลึกเหลือเกินแต่มันส ง, งบจากข้างนอกจิตใจมันไม่คุ้นกับบรรยากาศเหล่านั้นเพราะประเด็นตรงนี้กล่าวโดยสรุปนะกล่าวโดยสรุปง่ายๆว่าหลักการสำคัญของเราก็คือใจนี้ต้องนักแน่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเหนียวนึกตรึกนึกจะต้องไม่หนักไปในทางเรื่องเรื่องผลประโยชน์กับเรื่องเพศสองเรื่องนะสองเรื่องตรงวิ่งออกจากป่าทั้งคู่นะมันสูดออกจากป่าทั้งคู่เพราะว่าปรารบตัวเองให้ความสําคัญแก่สิ่งที่ตัวเองต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็น แล้วก็ยพยายามอย่าเหนียวนึกตึกนึกในแง่ของกวานผูกเวรผูกภัยอาฆาตพยาบาทอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ยินดีอาจจะโกรธอาจจะอาฆาตอาจจะพยาบาทอาจจะจองเวรก็แล้วแต่ใจไม่นิ่งเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีปัญญามากพอเขาเรียกว่าสมาธิฐิดคือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้จากสื่อต er. ่างๆเอกสารต่างๆที่ควรแก่การเชื่อถือและในขณะเดียวกันก็สามารถสงบสงบความคิดของเราแล้วก็คิดปัญหาต่างๆโดยใช้หลักของอยู่ในสูปริทธิกา พิจารณเทียบเคียงด้วยอุบายวิธีที่แยบคายเพราะอกุศลจะจิตมันเกิดขึ้นคิดจะฆ่าคิดจะลักคิดจะประพฤติผิดในการคิดจะพูดเท็จคิดจะส่อเสียดคิดจะเพ้อเจ้อคิดจะเลวไหลมันก็เบรกได้พอเบรกได้ก็แสดงว่ากายขวาจาเราก็บริสุทธิ์ใจมีปัญหาเราก็มาแก้ที่ใจ ก็ต่อสู้กันอย่างนี้มีมีปัญหาเกิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นกัเกนเองคล้ายๆกเราทำสงครามเนี่ยค่าสึกหนักมาทางด้านด้านไหนก็ต้องออกไปรับในด้านนั้นไปแก้ไขปัญหาในด้านนั้นใจิใจก็เราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตอนพยาเพราวาสูตรเนี่ยในช่วงแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าประสบการณ์ของพระองค์ในฐานะที่ยังเป็นสามัญชน เพราะปัญหาเหล่านี้มันสาธารณะทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่มันอยู่ที่วิธีคิดว่าเราคิดยังไงอ่ะเจอปัญหาอย่างนี้ถ้าคิดเป็นมันก็แก้ปัญหาได้แต่คิดไม่เป็นมันก็ว่ากันไปเรื่อยๆต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี